มีโยมคนไหนไม่เคยมาบ้างไหมโมเยอะเนาะมาจากไหนกันเยอะแยะมาจากไหนเออคือเวลาภาวนาเวลาพูดธรรมะนะมันเหมือนนักเรียนหลายรุ่นอยู่ในห้องเดียวกันพูดยากพูดที่สาราลงชิดยากที่สุดเลย คนเยอะแล้วหลากหลายธรรมะมันไม่เสมอกันงา น, นธรรมะเด็กแปลงไปแปลงมาช่วงหลังๆโยมมาใหม่ๆเยอะธรรมะหลวงพ่อเปลี่ยนรู้สึกไหมบางคนบอกอยากฟังธรรมะที่ละเอียดละเอียดลึกซึ้งอย่างนีน้คนฟังไม่ค่อยมี <c oughs> ธรรมะจริงๆแนละ้วเราฝึกฝนอบรมตัวเองไป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 ถ้าเราภาวนาถึงจุดหนึ่งใจเราเข้าถึงความสงบนะความสงบที่แท้จริงมันจะมีความสุขความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนความสุขอย่างโรคๆนะได้มาแล้วก็เสียไปยัง่งชิงกันนะเหน็ดเหนื่อยทับตายเลยได้มาแป๊บเดียวสุขอยู่แป๊บเดียวนะเนี่ยก็เบื่ออะไรเงี้ยไปยั่งกันใหม่มันเนียเอยากได้เข้าได้ของ หาเงินไปซื้อมานะมีความสุขแป๊บเดียวเดี๋ยวอยากได้อันอื่นอีกละความสุขอย่างนี้ไม่เต็มอิ่มเลยเราไม่รู้จักความสุขของสันติของความสงบมีหลายชื่อนะคำ ว, ว่านิพพานนิพพานชื่อว่าสันติความสงบก็ได้อุปัสมาก็แปลว่านิพพานเหมือนกันนี่ทำไงใจเราจะเข้าถึงความสงบได้นะ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 อย่างร่างกายนะหาข้าวมาให้มันกินเดี๋ยวมันก็หิวอีกแล้วนะมันสบประบกมาพามันไปอาบน้ําเดี๋ยวมันก็สบประอกอีกและวรนิบัติมันเท่าไหร่ก็ไม่จบอนะจิตใจก็เหมือนกันนะปฏิบัติมันเท่าไหร่ก็ไม่จบมีความอยากขึ้นมานะดิ้นรนตอบสนองอิ่มมาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาอีกแล้วอยากอีกแล้วเดี๋ยวอยากโ น, น่นเดี๋ยวอยากนี่เพราะมันไม่เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ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 ใจจะค่อยๆสงบไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้วใจค่อยสงบเข้าสงบเข้าถึงจุดที่ปัญญามันแจ้งจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตเป็นทุกข์ล้วนๆแค่แจ้งตรงนี้เมื่อไหร่นะจะปล่อยวางจิตแล้วความทุกข์จะแผ่วผ่านเข้ามาอีกไม่ได้แล้วที่สุดของทุกข์อยู่ตรงนี้เองตรงที่เราหมดความยึดถือจิตใจของตัวเอง ถ้าเราไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจนะจิตใจจะมีแต่ความสุขมีความสงบมีสันติมันไม่ต้องดิ้นรนนะมันไม่หิวแล้วเคยมีคนถามหลวงปู ม, มั่นถามแบบแกล้งอะ่ะถามแบบร่วงเกินท่านตอนนั้นท่านไปปุราชคนมาถามว่าท่านมาโพราชเนี่ยท่านมาหาอะไรฮะท่านต้องการอะไรที่มาที่โพราชท่านบอกคนที่จะหาอะไรต้องหิวนะท่านไม่หิวแล้ว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 บางช่วงน่าสงสารนะคนที่รับสืบทอดตาบอดแต่เกาอุตส่ารักษาเทียนนั้นไว้ได้สืบทอดมาเรนะื่อยๆมาถึงพวกเราอย่ารักษาเทียนคือธรรมะเอาไว้เนะี่ยจะเป็นคนตาบอดหรือตาดียังไม่รู้แต่เข้าภาคเทียนกันนะในการรักษาเอาชีวิตเข้าแลกสืบทอดกันมาตาบอดหมายถึงว่ามีแสงสว่างอยู่แต่มองอะไรไม่เห็น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 แต่ก่อนรักษาธรรมะยากมากนะาละรุ่นก่อนอนเอาชีวิตเข้าแลกกันมารักษาไว้ทั้งที่ตัวเองไม่ได้อะไรเท่าไหร่อย่างสมัยอยุธยาพระเจ้าจบรมโกศนะลังกาเนี่ยไม่มีศาสนาพุทธขาดช่วงไปมาขอพระเมืองไทยไปสึกทอดพระก็ไปนะไปเรือแตกมรณภาพซะแ ย, ย, ยะเลย ปีสองปีต่อมาทางรังกาส่งมาส่งข่าวมายังไม่ได้พระเลยส่งไปอีกนะพระก็ไปนะอันนี้รอดไปรอดไปหรือธรรมะจะถ่ายทอดจากจีนไปญี่ปุ่นมีพระแท่งญี่ปุ่นนะามาบวชอยู่เมืองจีนแล้วมานั่งลอกลอกคำพีลงไปในไม้ไผ่ไม้ไผ่เป็นซี่ๆหนักนะลอกๆอกอกไปลอกอยู่ตั้งหลายปีนะคัด คำพีเสร็จแล้วก็ขนข้ามฝั่งไปญี่ปุ่นเรือมันโดนพายุมันหนักคำภีร์มันหนักมากโดนพายุเรือมันเพียกอย่างกัปตันเรือมันเอาไม้ไผนะ่นาโยนน้าไปเลย <c oughs> ท่านก็กลับมานั่งคัดใหม่ท่านเหล่านี้นะาพาคเพียนภาคเพียนหรืออย่างพระโสนณา พ, พระอุตรละนะเจ้าศกส่งมาเมืองไทยไม่ได้กลับไป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 เรียนรู้ธรรมะก็มีสองอันเบื้องต้นเรียนรู้จากการฟังก่อนจากการอ่านจากการฟังแต่แนะนําว่าต้องอ่านพระไตรปิฎกนะถ้ า, อานอาจารหนังสือรุ่นหลังๆก็เคลื่อนไปบ้างอะไรบ้างหรือถ้าจะฟังคําสอนครูบาอาจารย์ก็ต้องศึกษาธรรมะมาบ้างแล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรจริงๆเพสิ่งที่ครูบาอาจารย์ชั้นหลังๆสอนเนี่ยบางทีไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอน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 อย่างรูวงพ่อเตียนพัฒนาการขยับมืออีสิบสี่จังหวะดแล้ว พ, พุทธเจ้าไม่ได้สอน พ, พุทธเจ้าสอนแค่ว่านะเคลื่อนไหวก็รู้ใช่ไหมจะคูจะเหยียดจะเลี้ยวซ้ายแลงกว่ารู้สึกแต่ท่านรู้สึกท่านพบว่าถ้าท่านขยับมืออย่างนี้ยสติท่านเกิดท่านรู้สึกตัวไม่เผลอนานท่านค้นพบอย่างนี้ถ้าท่านขยับไปเพื่อจะไม่เผลอนานใช้ได้นะใช้ได้เพราะร่างกายมันก็ขยับอยู่แล้ว แต่ถ้าคิดว่าต้องขยับท่านี้ถึงจะบรรลุเข้าใจผิดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนในคําสอนที่เกินเกินเยอะมากนะยทุกวันนี้เยอะมหาศาลแล้วเราก็ชบอบทะเลาะกันว่าสำนักไหนดีกว่าสำนักไหนความจริงสำนักไหนสอนตรงที่พระพุทธเจ้าบอกก็ดีทั้งนั้นแหละอุบายก็ใช้ได้ไม่ใช่ใช้ไม่ได้นะแต่ต้องรู้ว่าเป็นอุบายไม่ใช่หลัก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 พวกเราเวลารู้อะไรจิตชอบถล่มลงไปมันไม่ยากะไรนะหลวงพ่อพูดไว้เยอะแล้วในซีดีที่โยมทาเนี่ยกี่แผ่นแล้วนะโยมสิบหกแผ่นนะสิบหกแผ่นฟังได้เกือบเดือนแล้วจริงๆฟังแผ่นเดียวก็พอหรือฟังครั้งเดียวก็พอฟังกันเดียวแค่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อพูดเหมือนๆกันแทบทุกวันนะต่างกันนิดๆหน่อยๆตามคนฟัง คนฟังกลุ่มนี้ฟังแบบนี้รู้เรื่องคนฟังกลุ่มนี้ฟังแบบนี้รู้เรื่องอะไรยแต่เนื้อหาเดียวกันทั้งหมดเลยคือเรื่องทอางรราอํายังไงเราจะมีสติมีสติรู้กายมีสติรู้ใจทํายังไง ร, ระหว่างรู้ต้องมีสัมมาสมาธิตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นไม่ถลําลงไปรู้ทํายังไงเมื่อรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงรู้แล้วสักว่ารู้จบลงที่รู้แล้วก็เห็นความจริงของกายของใจ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 จ้องอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องด้วยโลภะด้วยโลภะเจตนาจงใจไปกําหนดเนี่ไม่ใช่สติตัวแท้หลายคนไปจ้องกําหนดไปเรื่อยเสร็จแล้วก็ตัวอลอยตัวเบาตัวโปรงตัวใหญ่ตัวเล็กตัวหนักนะบูบูบ้บาบา่าผลลุกผลพองนี่มันเป็นเรื่องของสมถะทั้งหมดเลยมันไม่ใช่สติที่เป็นสัมมาสติ จะฟังอะไรเนอะเนาะเราใส่ไปต้องเกณฑ์พวกภาวนาแบบได้ประณีตละเอียดให้เบียนกันมาฟังบ้างธรรมะมันจะได้ลึกซึ้งบางคนบน่นโอ้ยธรรมะช่วงหลังมันไม่ลึกซึง้งอีกหน่อยคงเหมือนที่ครูบาอาจารย์สอนจนได้อะ่ะคนฟังพันคนสองพันสามพันนะมันจะตื่นหลงตื่นหลง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 ภาวนาดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยอยู่ที่เราเห็นกิเลสไหมถ้าเราเห็นกิเลสเยอะแยะเลยนะยิ่งดีแสดงว่าสติเราไวแล้วทำไมต้องเห็นกิเลสทำไมไม่ไปเห็นกุศลเพราะในความเป็นจริงแล้วจิตของเราแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละคนเนี่ยแทบไม่มีกุศลเลยหกุศลจะเกิดทียิบเลยตลอดเวลาเลยกุศลเนี่ยนานๆเกิดทีหนึ่ง ถ้าหากเรามีสติว่องไวจริงๆเราจะเห็นอากูศนเกิดบ่อยกิเลสก็เกิดทั้งวันเลยแวบบหนึ่งเกิดแวบบหนึ่งเกิดแวบบหนึ่งเกิดนะั้นในเวลาวินาทีหนึ่งสองวินาทีก็เกิดทีหนึ่งลอากูศนตัวสำคัญนะคือโมหะใจฟุ้งซ่านใจลอยสังเกตไหมใจลอยเกือบตลอดเวลาไหลแวบบแวบบแวบบแวบบนะมีหน้าที่รู้บ่อยๆรู้เพื่ออะไร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 ต้องตามรู้หลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงนะไม่ใช่หลงไปรู้ไปนะไม่ได้จิตกูศนกับจิตอกูศนไม่เกิดพร้อมกันจิตที่ลงไปน่ะกูสนต้องเกิดไปก่อนแต่แล้วเกิดจิตที่รู้สึกตัวเป็นกูสนเกิดทีหลังมาตามรู้ว่าเมื่อกี้หลงไปอนเนี้ยหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมหลวพอบอกเรารู้ไหมหายังไม่รู้อีกเหรอ <laughs> ไม่ต้องทันไงจาไว้นะไม่ต้องทันนะ เขาเรียกว่าการตามรู้ตามรู้ไม่ใช่ต้องทันตามรู้หมายถึงว่าโกรธไปก่อนแล้ว ร, รู้ว่าโกรธโลภไปก่อนแล้ว ร, รู้ว่าโลภหลงไปก่อนแล้ว ร, รู้ว่าหลงแต่รู้วัยวัยนะไม่ใช่เมื่อวานโกรธวันนี้รู้อย่างนี้ใช่ไม่ได้นะโกรธมาห้านาทีแล้วยังไม่ทันจะหายเลยเกิดนึกขึ้นได้ว่าอ้าวโกรธนี่เยความโกรธจะดับวับเลยนะเกิดรู้สึกขึ้นแทนเลยเป็นขณะขณะไป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 นั่นคุณผู้หญิงที่ใส่แว่นตาเนี่ยเบอร์อะไรเอาไปเสียบตะกร้าเบอร์สามสิบสี่เมื่อกี้ใจลอยไปใจมันหนีไปเบอร์สิบเก้าใจลอยแล้วรู้สึกไหมหนีแว บ, บไปนะเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดอย่าบังคับตัวเองบังคับตัวเองเยอะไปเบอร์สิบแปดใจลอยรู้สึกไหมเนี่ยดูอย่างนี้นะหัดดูของจริงไปสงสัยต้องเล่นแบบนี้แล้ว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 ต่อไปเราจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจิตใจชนิดใดนะก็อยู่ชั่วคราวทั้งหมดเลยอย่างคุณผู้ชายเบอร์หนะ้าสิเอ็ดเนี่ยรู้สึกไหมเราลืมตัวเราเองกันลนะอันเนี้ยมาตั้งใจฟังหลวงพ่อพูดเราจะลืมตัวเราเองใจแอบไ ป, ปคิดแล้วทราบไหมยังไม่ยอมเลิก <c oughs> ใหม่ๆงงอย่างนี้แหละงงไปก่อนนะอดทนนะหลวงพ่อให้เรียนฟรีไม่ได้เก็บตังค์นะงั้นทนทนไว้เรียกร้องอย่างเดียวนะว่าทนไว้หน่อย โดนไล่ไล่สักทักหนึ่งนะเดี๋ยวก็เข้าใจไม่ยากเบอร์ยี่สิบแปดแอบไปคิดอีกแล้วทรับไหมนะอ้าวเบอร์สี่สิบใจลอยไปแล้วเป็นห่วงลูกห่วงได้นะไม่ได้ว่าอะไรเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดหนีไปแล้วจำเบอร์ตัวเองด้วยนะไม่ใช่บอกเบอร์แล้วก็ใครวะนะ <c oughs> จำไม่ได้นะ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 รู้สึกไหมพอบอกว่ายังไม่จี้นะขำๆใจคลายออกดูออกไหมใจเริ่มคลายออกเพราะคุณติดเพ่งนะแล้วมันจะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงให้ดูมัจะนิ่งๆดังนั้นการที่เราเผลอไปลืมดูตัวเองเนะี่ยศัตรูเบอร์หนึ่งของการปฏิบัติทําให้ไม่สามารถดูกายดูใจตัวเองได้ศัตรูเบอร์สองคือการนั่งเพ่งไว้กายก็นิ่งๆใจก็นิ่ง ๆ, งๆไม่มีอะไรผ่านไปผ่านมาให้ดูถ้าไม่มีอะไรให้ดูก็เหมือนไม่ได้ทํากันบ้าน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 เออบอร์้าสิบห้านะโบต้องให้หลวงพ่อจําโบเป็นไงโบนั่งเมื่อกี้ก็สังเกตเห็นมีฟุ ง, ฟงส่้นน้อยอยู่เจ้าค่ะก็ไปวัดปากเขาน้อยมาสักสองสาวันเจ้าค่ะหลวงตาประดึกไปไหมไปเจ้าค่ะแต่ว่าท่านเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเป็นเกี่ยวกับปอดนะคะ่ะ แล้วก็เมื่อวานก็ไปกราบท่านที่วัดเลยเจ้าค่ะตั้งแตเก้าสิบนะท่านหอบๆเจ้าค่ะอ่าสอนไม่กี่คำอะค่ะเจ้าค่ะก็หอบพูดเท่าอย่างนั้นนะเอาไว้ว่า้เอาไว้าไวาไวทาบุญเจ้าค่ะหายากนะหายากท่านบวชเมื่ออายุหกสิบเลยบวชเมื่ออายุเยอะมีครอบครัวแล้วมีลูกมีเมียแล้ว ม, มาบวชแล้วภาวนาหาตัวจับยาก จิตท่านไวนะตาพนันถึงแล้วก็ไปหาท่านทีแรกทีแรกไปพานาอยู่วัดป่าดงคูของหลวงพ่อกิมแต่หลวงพ่อกิมไม่อยู่แล้วไปอยู่ที่วัดท่านเฉยเฉยเสร็จแล้วไปถามพวกคนที่วัดว่าในเมืองสุรินยังเหลือพระอยู่บ้างไหมบอกเหลืออยู่องค์หนึ่งหลวงตาพันนึกก็พากันตปนะ้าไปกับคุณน้อยอากันไปด้วยไปถึงวัดท่านนะเงียบเลยปิดไม่มีคนเลยนะ เนี่ยเปิดประตูเข้าไปเขามีคนสองสามคนผู้ชายกําลังมากวาดเป็นที่เป็นโบสตอนเนี้ยเมื่อก่อนเป็นกุฏิท่านข้างล่างเป็นโล ง, ล ง, ลงข้างบนเป็นไม้เ้ากำลังมากวาดมาปูเสือ่อแล้วถามเ้านะว่าหลวงตาผนนึกอยู่ไหมบอกเดี๋ยวมา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาเราก็นั่งรอทําไมเดี๋ยวนานนัก น, นะ <c oughs> ถามท่านอยู่กุฏิไหนบอกอยู่นี่แหละ <c oughs> เอาแล้วทําไมเดี๋ยวมา กำลังเดินตัดทุ่งมาท่านไปธุระอีกวันหนึ่งนะแล้วอยู่ๆท่านก็บอกโยมพวกนี้ให้รีบขี่มอเตอร์ไซค์มาจะมีโยมมาที่วัดละให้มากวาดพื้นไว้ก่อน <c oughs> แล้วท่านเดินมาเดินตัดทุ่งจิตท่านไหวนะแตอย่าไปกวนท่านนะไม่ทำท่านตายเร็วนะเมื่อวานไปแนะนําตัวว่าเป็นกลุ่มลูกศิษย์ของพระอาจารย์ใช่ไหะ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 มีคนเอารถไปให้ท่านเจิมนะชาบเอารถไปให้ท่านเจิมท่านก็ถือไม้เทา้าก๊อกก๊อกก๊อกมาาเจิมคนนี้ไม่ค่อยรักรถนะท่จะเจิมด้วยนิ้วนะคนนี้มันห่วงรถมากเลยท่านเจิมด้วยไม้เทา้าป่องป่อ ง, อง <c oughs> เราพอแล้วหลวงตาจเจิมพอแล้วรู้ <c oughs> สึกไหมขำรู้สึกนะรู้สึกไป มาใหม่ๆฟังหลวงพ่อเข้าใจยากนะต้องใช้เวลานิดนึงฟังสองครั้งสามครั้งถึงจะเข้าใจทางที่ดีฟังซีดีมาก่อนแล้วก็ค่อยๆสังเกตใจด้วยวิธีที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้นะค่อยอ่านความรู้สึกของตัวเองเรื่อยๆฝึกทุกวันแป๊บเดียวก็เข้าใจแล้วไม่ต้องมาเรียนธรรมะ ม, มากเลยเราจะรู้ธรรมะด้วยตัวเองธรรมะไม่จําเป็นต้องมาฟังเยอะเลยฟังให้รู้วิธีที่จะดูจิตตัวเองได้เนี่ย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 กิเลสทุกอย่างเกิดเราก็ดับเช่นเดียวกับภูสลนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าต้องไปเกลียกกิเลส น, นะแต่ว่าไม่คล้อยตามกิเลสออกแปดโมงพอดีเป๊ะเลยไ ป, ไปเชิญทานข้าวกันนิมนต์ครับนิมนต์